เรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดป่าอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้อุปถากใกล้ชิดชื่อคำดีซึ่งเป็นน้องชายของพระอาจารย์ศิมพุทธาจารโรท่านเป็นคนช่างพูดมักถามนั่นถามนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นผู้เราเป็นผู้ช่วยอุปถาก ไม่ค่อยพูดจาเพราะขณะนั้นยังใหม่อยู่วันหนึ่งท่านคำดีได้พูดปรารบขึ้นว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้น่าอัศจรรย์กระผมอ่านพุทธประวัติแล้วขนลุกชูชันท่านพระอาจารย์ก็รับว่าจริงอย่างนั้นอันนี้หมายถึงตัวท่านได้พิจารณาแล้วและได้อ่านพุทธประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิรญาณวโรทรงรจนาไว้เป็นแบบเล่าเรียนศึกษาพระองค์ทรงได้ย้มความมหาสิจรรย์เอาไว้ตั้งแต่ทรงออกผนวดครั้งแรกจนถึงวันตรัสรู้แต่ผู้ศึกษาไม่ซึงถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรท่านว่าอันนี้ได้พิจารณาแล้วสมเด็จพระองค์ท่าน เป็นจอมปราาดแห่งยุคสองพันกว่าปีในยุครุงรัตนโกสินไม่มีปราหไดใดๆเทียมท่านพระอาจารย์มั่นยกย่องสมเด็จพระมหาสัมมาเจ้ากรมพยาวชิรญาณ น, นวรโรรถองค์นี้ว่าเป็นพระสาวกผู้ทรงไว้ซึ่งจะตก ป, ปฏิสัมพิธายานสมบูรณ์แบบในยุคพุทธศาสนาผ่านมาได้สองพันกว่าปีคือพระองค์เดียวเท่านั้น ดูท่านพระอาจารย์จะยกย่องเอามากๆขนาดกล่าวว่าพระองค์ทรงรจนาหลักสูตรนักธรรมบาลีให้คุณระบุได้รับการศึกษาจากประไตปิฎกไม่ผิดเพี้ยนทั้งยอ่อและพิสดารได้อย่างเข้าใจใช้ภาษาง่ายๆและไพเราะมากจะเป็นปัญญาชนหรือสามัญชนอ่านก็เข้าใจได้ทันทีท่านว่าสมเด็จพระมหาสามณเจ้า ทรงพรรณนาความตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาอาการของพระมหาบุรุษปรากฏว่าขณะที่บรรดาพระสนมทรงขับกล่อมบำเรอไม่ทรงเพลิดเพลินและทรงบรรทมหลับไปเมื่อตื่นบรรทมทรงเห็นอาการวิปลาดของพระสนมว่าบางคนมีพินพาดอกบางคนตกอยู่ข้างรักแร้เปลือยกายสยายผมบนเพอพึมพำน้ำลายไหล ปรากฏในพระห尔ุไยเหมือนซากศพผีดิบในป่าชา้าพระอาจารย์มั่นท่านว่าขณะนั้นพระห尔ุไยของพระองค์พิจารณากิจในอริยสัจสี่อย่างพระองค์ทรงสแสดงไว้ว่าสัจญาณปรีชากำหนดรู้ความจริงความอย่างรู้สัจจะคือรู้อริยสัจสีกิจญาณ ปริชากำหนดรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจ ส, สีและกะตายาณปริชากำหนดรู้ว่าได้ทำกิจเสร็จแล้วจิตของพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่อริยมรรตต่อมาภายหลังทรงบัญญัติเรียกว่าอริยโสดาบันจึงตัดสินพระทัยว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจึงเสด็จออกผนวดในคืนนั้น ต่อจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่มคทรัฐเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าตอนไปทรงศึกษากับดาบททั้งสองนั้นจิตของพระองค์ก็บรรลุมรรคที่สองคือสกิทาคามีผู้เราสงสัยขึ้นในใจว่าแลอย่างนั้นการบรรลุธรรมครั้งที่สองของพระพุทธเจ้าจะไม่สมกับคําว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองหรอกหรือ แต่ไม่ทันได้เรียนถามท่านถแถลงก่อนว่าดาบททั้งสองได้ฌานสมาบัติเจถึง8ปอรูปะพรมเท่านั้นแต่ท่านทั้งสองขาดวิปัสนาปัญญาญาณซึ่งไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์สำหรับพระองค์จึงเป็นครูของพระองค์ไม่ได้ท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ท่านพันานาถึงพุทธประวัติไว้หลายวาระ จะนำมากล่าวสักสองวาระพระอาจารย์มั่นมักพูดพลางหัวเราะด้วยความชอบใจในพระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่าทรงกดพระตาลคุคือเพดานปากด้ืยอพระชิวหาคือลิ้นเมื่อลมอส่าสะปัสสาสะคือลมเข้าและลมออกเดินไม่สะดวกก็เกิดเสียงดังอู้ในช่องพระกันคือหูทั้งสองข้างทาให้เกิดทุกขเวทนากล้าจนปวดพระเสียร เสียดในพระอุทธรร้อนในพระวรากายเป็นกำลังก็ยังไม่สามารถจะตรัสรู้ได้จึงทรงเปลี่ยนวาราใหม่โดยการผ่อนพระกรยาหารลงจนไม่สวยเลยจนพระวรากายผอมโซสูบ ซ, ซีดขุมเส้นพระโลมาเน่าทรงรูปเส้นพระโลมาคือเส้นขนก็หลุดเพราะขุมขนเน่ามีกำลังน้อยทรงดำเนินไปมาก็เซลม้มมีผิวดาคล้า จนมหาชนพากันโจทขานกันไปต่างนานาก่อนท่านจะพูดต่อก็มีอาการยิ้มหัวเราะออกเสียงพ่อหมาะดูคล้ายท่านจะพอใจในพระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าว่ามหาชนบางพวกพอเห็นก็กล่าวขวัญกันว่าทรงดําไปบ้างบางพวกกล่าวว่าไม่ใช่ดําคล้ําไปบ้างบางพวกกล่าวว่าไม่ใช่คล้า ร้อยไปบ้างอย่างนี้จนเหลือกำลังที่บุรุษไหนจะทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้จึงได้อุปมาสี่ข้อในพระหฤทัยทรงสเสวยพระกระยาหารทรงมีกำลังท่านพระอาจารย์ว่าตอนพระองค์ทรงเริ่มวิปัสสนาญาณเป็นคำรบสามพระหฤทัยของพระองค์ก็ทรงกระทำญาณสาม คือสัจจยานกิจยานและกัตตยานเหมือนสองวาระแรกจิตของพระองค์ก็ก้าวสู่มรรคที่สคืออนาคามีมรรคท่านเล่าว่ามหาบุรุษอย่างพระองค์ทรงกระทำอะไรไม่สูญเปล่าเรื่องสัจจยานกิจยานและกัตตยานนี้ท่านอธิบายได้ละเอียดวิจิตพิสดารมาเชื่อมโยงตั้งแต่ เอเตเตพิขเวมาจิมาปฏิปทาจนถึงยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติถึงอัญญาสิวัตโภโกลทันโยพระมหาบุรุษอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระบารมีของพระองค์ทรงบำเพ็ญมาพอแล้วด้านปัญจวัคคีย์ก็เบื่อหน่ายหนีจากพระองค์ไปความวิเวกก็เกิดขึ้น วันเพ็ญเดือนหกแห่งเลิกวิสาขาก็มาถึงนางสุชาดาจะแก้บนจึงถวายข้าวมะทุ ป, ปาญาตในภาชนะซึ่งเป็นถาดทองคำเพื่อให้มันพระไทยพระองค์จึงอธิษฐานลอยถาดทองคำในแม่น้ำเนรัญชราว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำคำข้าวมะทุ ป, ปาญาต ก็มี49บาคำพอดีพอจะรักษาพระวรากายของพระองค์ไปได้ตลอด49วันท่านพูดอย่างนี้เมื่อความพร้อมทุกอย่างความตรัสรู้ของพระองค์เป็นสัพพัญญุตยานอารหังสัมมาสัมพุทโธก็เกิดขึ้นในวันเพ็นเดือนหกนี้แหละโดยไม่มีใครมาแสดงอ้างว่าเป็นครูหรือเป็นศาสดาของพระองค์เลย ท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าจู่ๆมาถึงวันนั้นจะมาตรัสรู้เลยทีเดียวไม่ได้พระองค์ได้พื้นฐานหลักประกันความมั่นคงแล้วตั้งแต่อยู่ในปราสาทวันเสด็จออกพนวดนั่นแหละมีฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงกระทบกระทั่งต่อสัญญาอารมณ์ต่างๆในระหว่างทรงบำเพ็ญเพียรคงถอยหลังกลับไปสวยราชสมบัติอีก เพราะเบื้องหลังของพระองค์ก็พร้อมอยู่จึงถอยไม่ได้เพราะมีหลักประกันแล้วท่านอธิบายจนจบผู้เล่าเฉลียวใจว่าถ้าอย่างนั้นยาสากุลบุตรก็คงสาเร็จมาจากประสาทละศียาสากุลบุตรเป็นไปไม่ได้เพราะวิสัยอนุพุท ธ, ธะต้องฟังก่อนจึงจะรู้ได้ ไม่เหมือนสัมพุทธะอย่างพระพุทธเจ้าและท่านยังเตือนผู้เล่าว่าปฏิบัติไปหากมีอะไรเกิดขึ้นจงใช้สติกับปัญญาสติกับปัญญาสติกับปัญญาย้ำถึงสามครั้งรับรองว่าไม่ผิดแน่เพราะทุกวันนี้มีแต่ครูคือพระธรรมวิไนาขาดครูคือเจ้าของพระธรรมวิไนคือบ ร, รมครู ท่านว่าอย่างนี้